เปียกุติเมันกี้นี่ใสใจหน่อยนะในทีวที่ตกให้กให้ดามให้เนี้ยครับอันนี้ที่เรียนมาจากอ า, ารครับท่านบอกว่าผมไม่อยู่ที่ไปที่มายะตง้งหอกเขาจะทังจอชุมีที่ไปที่มาครับต้องเปียกุตินะครับนะที่สร้างไว้นะครับให้เป็นที่อยู่หลักนอนอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นรองฉันหรือว่าบ่อหรือว่ารองครัวนี่นะ ที่เขาไม่ด้สร้างไว้ที่หลับนอนใช่ัหยอันนี้ก็เก็บมาหาได้เขาจะไม่เป็นอันตรายผู้ถานะครับครับมันก็เป็นสีเดียวมันมีแค่ด้านเดียวที่จะมีกำแพงอ๋ออ๋อดยมาค่ะดุยมาครับครับใช่ครับต้องหากับปิยากุติค้าดุยมา ทั้งหมดดูว่าเร็วมา ก, กไม่ได้ครื่งหนึ่งก็ยังไม่ได้เลยนครับครื่งหนึ่งล้อครึ่งนี้ไม่ได้ต้องไม่ล้อมาหรือว่าไม่ล้อเรมากนะครับ อ, อันนี้ต่ำเลยนะครับคนนี้จะจบเรื่สบายคนนี้ไปแล้วก็สมงนะคนี่ตวจอมมตน่จะมีคำส่วนนะครับอคอยคอยพิสูติเลย สมมติอะไรนะครับต่อไปนะครับอาบัตนะครับภิกษุแม่ต้องอาบัตเมื่อไม่เป็นของสันนิที่สำคัญว่าไม่เป็นสันนิทที่อันนี้ก็ฉนันไดนะ้ไปเลยเกียนยาว่าการลิบเป็นต้นไม่ร่วงรายการของตอนของตอนและฉั น, ฉนก็ยาว่าการลิบชาาเพื่อเทีย่ยงนะตอนหน้ า, นาอาื่นันกันคืน ตาห่างเจ็ดวันยาว่ตลอดชีวิตทำ ง, งานาสันฉันยาว่าชีวิตเนี่ยายานะเมื่อคลาอาผ้าได้ตลอดเวลาและวิสุบ้าคป็นข้อไม่ต้องอาบัตนะครับองอาบัตสิคาวันนี้มีองสามเหล่า น, นี้คือหนึ่งเป็นอามิตของฉันก็คืออาหารกันน้ำปาหน้าในที่นี้นะสองเก็บไม้ค้งคือสามคือกินอามิดนั้น เมื่อกวบองสามนี่ก็เป็นไปตีนสิทธานพนี้นครับมสมุทฐานเป็นต้นเป็นเช่นเดียวกับในอกากะศโลมสัสถา บ, บ, นน บ, นนบนไงเหมือนกันกายและก็กายจิตราจบการอธิบายสนิที่การสักสิทธิฐานบนสมุทฐนครับว่ข้อนี้นายแนะ่ดูนะครับที่พยายารอบรอบก่อนมีปุ่นเข้าปากเขาไม่ไ้ คเข้าปาก่ไครับของแม่เนลวขนาดว่าที่เราปรมาณูอะไเราไม่รู้สึกคุณม่เาต่อไปเลยมันเป็นเม็ดเลยข้าวที่เราเรู้เรอตักธูรไดาแต่ถ้าเป็นความที่ยังไม่อานะอันนี้ควันจะอยู่ในข้อของการชนะหาที่ไม่ถูกประเคนนะข้อนันะครับถ้าเป็นความานี่ความเป็นไอนะ้เป็นอะไรละเอียดใช่ไมอันนั้นก็ยังไม่อานะ เซมห่าใช่ไหมครับแต่ท้าเรือนี้ไม่ได้อยู่นะครับเซมแ่นที่ผมฟังจากอาจารย์เนี่ยก็ว่าส่งข้อมอลกันน้ำรายนะครับก็ถือว่าไม่เป็นไรในวิการเขาไม่เปน็นไรนะครับอ๋อเลือถ้าเลือนี้ไม่ได้นะ่ ก็กำดาที่มันก็ใ่ครับแล้วก็มันก็ต้องต้องำบากแล้วความจริงเครับต้องคืนหรอแต่ถ้าเราไม่รู้ก็ยังไม่กั้นหรอกนะแต่ถ้าเรารู้ปุ๊บล้วก็ทำคืนได้ครับบางทีเราทราบลังรก็นอนคืนครับไม่รู้มีอะไรเข้าแรมาแรเข้าบ่าหรือเ่า เออเขไม่รู้เหมือนกันครับไม่มีใช้ไม่ได้แต่ถ้ามีอะไรเข้าปัดท่านเคี้ยวเกินไปนะมันก็ฉันหาที่ไม่รับประเคหนะฉันของที่ไม่รับประเคนนะอย่างงี้ม่อี้พหลอมันแปะนะมีอะไรเข้าปากใ่านเคี้ยวเลยใช่ไหมใส่เกลือใส่พไริกแล้วมันไม่รู้เรื่องเลยเคี้ยวนั่นใช่แต่ท่านไม่รู้นะถ้านรู้แค่ก่อนครับอย่างนี้นเองนะ ผมมันเป็นนะนอนอ่า่า น, นะคแต่ว่าถ้าโดยเฉพาะฉันอาหาในเวลาวิการนฝุ่นแม้เข้าไปในปากรืยที่เราไม่ได้ตั้งใจยนะก็ออกนะครับไม่ได้อสหาที่ไม่รับประเคนนะมีฝุ่นพุ่งตลบแล้วก็ไม่ใช่รัประเคนเป็นฝุ่นใช่ไหมครับก็มาเข้ามาในปากเนี่ยรู้สึกแล้วก็ต้องคลายทิ้งนคะรับ ใช่เป็นม็ดาขาวๆน้อยไหนิดแต่ให้ยรารู้สึกเรารู้ได้มันจะเหมือนฝุ่นอนุถ้าโดนแสงแดดแล้วเราจะเห็นใช่ไหมถ้าธรรมดาไม่เห็นเลไม่ออก